แนะนำบทมุฮัมมัดบทมุฮัมมัดเป็นบทมาดานิยะมีสามสิบแปองค์การซึ่งให้ความสาคัญในการตราบทบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆสบับบทนี้ได้กล่าวถึงบทบัญญัติแห่งการสู้รบเฉลยทรัพย์สินเฉลยและสะภาพของมูนาฟิกีนแต่ที่สาคัญที่บทนี้กล่าวถึงก็คือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของลอ บทได้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นที่ประหลาดคือประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับศัตรูของอัลลอ์และศัตรูของรอซูลซึ่งพวกเขาได้ทำสงครามกับอิสลามโดยปฏิเสธท่านรอซูลยืนยดัดขัดขวางต่อต้อตานการเผยแพร่ของมูฮัมหมัดเพื่อกีดกันมวลชนแม่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามบทได้ใชบ้บรรดาผู้ศรัทธาสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธา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 บทได้กล่าวถึงรายละเอียดและละักษณะของพวกมูนาฟิกิโดยถือว่าพวกเขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิมและได้เปิดโปงถึงความชั่วและความน่าละอายของพวกเขาเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ถึงกลุบายและความชั่วร้ายของพวกเขาบทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้เจริญรอยตามแนวทางแห่งความมีเกียรติและัยชนะ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 บทนี้ได้จบลงด้วยการเรียกร้องไปสู่การต่อสู้ดิ้นรนเช่นเดียวกับได้เริ่มบทไปสู่การนี้เช่นเดียวกันทางนี้เพื่อเป็นการผลักดันความปรารถนาแรงกล้าของบรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อตอนต้นกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างแนบเนียนและรัฐกุมเป็นที่สุด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 َالَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِنُوا ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและศรัทธานในสิ่งที่ถูกประทานแก่มุฮัมมัด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 فإما من ا بعث وإما فداء أن حتى ت ض َ ع الحب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لا تصر منهم ولكن يبل وبعضهم ببعض والذي نقتل في سبيل الله ف ل ن يضلل أعمالهم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 แต่ท้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของล้อพระองค์จะไม่ทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาดาพระองค์จะทรงที่แนะทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้ น, ล น, นลและจะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งพรงทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้วยโอบัรดาผู้สัถาทั้งหลายหาพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลลอะพรงก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงให้เท้าของพวกเจ้ามั่นฝุก ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศหหยานณะจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะทรงให้การงานของเขาไร้ผลท่นีน้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่ลอตประธานลงมา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 ล l l a h ได้ส่งทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันทาน่ะะานอิบราฮิม All นั้นทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา อินนั่ลลอฮะยุดฮิลุ่น الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام สว ن م ا ه م ذ و ل ๆ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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهر من ماء غير آ س ٍ وأنهر ا من اللبن لم يتغير طعمه وأنهر ا من خمر لذة للشاربين. ى, ه ه วันหน้าอุมมินา ف, งาซลิมุ صف าและมีี่นี่จากทุกๆสัมมาและมีการอภิปรายของพระเจ้าที่เป็นคนที่ไม่เคยมีใครอยม่ในนรกและสุขมากมี่สุดที่มีการตัดสินใจของพระเจ้าที่จะให้สัญญา่ผู้ในสวนสวานั้น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 ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์และจงขอพยโทษ ต, ต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเองและเพื่อบันดาผู้ศรัทธาชายและบันดาผู้ศรัทธาหญิงและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงพริการของพวกเจ้าและที่อำนักของพวกเจ้ายนอ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم ن ل الموت فأولى لهم طاعة وقول معرو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 ถ้าพวกเจ้าจะผินหลังให้การศรัทธาแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดิและจะตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้าการะนั้นหนึกชนเหล่านี้คือบรรดาที่อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทร ง, งทำให้พวกเขาหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดพวกเขาไม่ได้พิจารณาใครควรอัลกุรอานหรือหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่ าญญ ห, ห, ะหลาละหจิงบรรดาผู้หันหลังกลับจากแนวทางที่ถูกต้องเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วซาตานมานรร้ายได้ล่อลวงพวกเขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขาว่าจะมีชีวิตยืนยาว ท่านี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแก่บรบรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่อัลลอ์ทรงประทานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอยา่างแต่อัลลอ์ทรงทราบดีถึงความลับของพวกเขา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 إِنَّ الَّذِينَ عَنْ مِنْ كَفَرُوا وَصَدُّوا ال اللَّهِ وَشَاقُ سَبِيلِ الْرَسُولَ لَهُمُ الْهُدَى تَبَيَّنُ تَبَيَّنَ لَيْ يَضُرُّ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ بَعْدِ بَعْدِ اللَّهَ أَعْمَالَهُمْ مَا مِنْ ถ้าจึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางของเราและต่อต้านราสูล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 จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลคนนี้เถอะและอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ผลอินนัลลอีนฟรุวัดดูอัสบิลิลฮิทุมมท่มมมมตุมมมมตูอฮุมุฟฟาลายัฟิรลลอฮุลฮุมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลลอฮ์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 และพระองค์จะไม่ทรงลดย่อนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงการลเล่นและความสนุกสนานเท่านั้นและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์ พระองค์ก็จะทรงประธานรางวัลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้ า, าหากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินพวกเจ้าและทรงรบร้าพวกเจ้าให้บริจาคพวกเจ้าก็จะกรณีและพระองค์จะทรงให้ความอึดอจจัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์ ه ا أ ن ت م هؤلاء تدعون ل ت ن ف ق و ا في سبيل الله فمنكم م ن يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.